ตามคำสอนของพระบรมศาสดาพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้มีพระปีชายาน ม, มีปัญญาที่สว่างสวยสามารถเห็นสิ่งต่างๆทั้งหลายที่พวกเรายังไม่สามารถเห็นกันได้ คือเรื่องของพกชาเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าเราก็จะไม่รู้ว่าเวลาที่ร่างกายของเราตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายเพราะร่างกายเป็นเพียงที่อยู่อาศัยชั่วคราวของเราเรายังต้องไป เกิดใหม่ไปหาที่อยู่อาศัยใหม่ห <c oughs> <c oughs> พราใจคือตัวเรานี้ไม่มีวันตายแต่ต้องมีที่อยู่อาศัยเช่นต้องมีร่างกายมีการมาเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างเป็นพระอาริยบุคคลบ้างเป็นเดรัจฉานเป็นเปรย เป็นนรกนี่คือที่ไปของพวกเราขึ้นอยู่กับการกระทาที่เราทำกันอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธศาสนาแล้วเราได้มาทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเรามาทำบุญทาทานมารักษาศีลมาฝึกนั่งสมาธิ ทำใจให้สงบและมาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาเราก็จะได้พบชาติที่ดีต่อไปในอนาคตการปฏิบัติตามคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าเป็นเหมือนกับการมาจอง บ, บ้านซื้อบ้านใหม่กันถ้าเราไม่ปฏิบัติตามคำสอน คือถ้าไม่ทำทานไม่รักษาศีลไม่ฝึกนั่งสมาธิไม่ฝังเทศฝังธรรมเราก็จะไม่ได้มีการซื้อบ้านจองบ้านใหม่เวลาเราตายไปแทนที่จะได้ได้บ้านที่ดีเราก็จะไปได้บ้านที่ไม่ดีเช่นแทนที่จะไปเป็นเทพหรือมาเป็นมนุษย์ เราก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานหรือถ้าเร็วกว่า น, นั้นก็ไปได้ร่างกายของเปรตของอสุรกายหรือของสัตว์นรกเพราะนี่คือบ้านที่พวกเราจะต้องไปกันถ้าเราไม่ทำบุญทำทานไม่รักษาศีลไม่หัดนั่งสมาธิไม่ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมกัน แต่ถ้าเรามาวัดอยู่เรื่อยๆมาทำบุญทำทานถาวายสังฆทานถาวายอาหารข้าวหวานถาวายข้าวของต่ตางๆถาวายเงินทองเพื่อเป็นค่าใช้ใจ่ายในการบำรุงวัดว า, ารามให้เป็นที่พึ่งของพวกเราแล้วก็มารักษาศีลห้ากันรักษาศีลแบดกัน แล้วก็มานั่งสมาธิด้วยการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งหลับตาบริกรรมพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจเข้าออกแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมอย่างที่พวกเรากำลังฟังกันอยู่ในขณะนี้ก็เราก็จะได้มีการซื้อบ้านใหม่จองบ้านใหม่พอเราตายไป เราก็จะได้บ้านที่ดีถ้าเราไม่ทำบาปเรารักษาศีลห้าได้แต่ไม่ได้ทำบุญตายไปเราก็จะได้กลับมาได้ร่างกายของมนุษย์ใหม่แต่ถ้าเราได้ทำบุญและรักษาศีลเราก็จะไปได้ร่างกายของเทพชั้นต่างๆไปอยู่บนสวรรค์ชั้นเทพ แล้วถ้าเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบได้เราก็จะได้ร่างของพรหมไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วถ้าเราฟังเทศฟังธรรมจนเกิดปัญญาขึ้นมาเห็นว่าความทุกข์ต่างๆของพวกเรา <c oughs> การเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราเกิดจากความอยากต่างๆ เช่นความอยากในรูปเสีกลิ่นรสความอยากมีอยากเป็นความอยากไม่มีอยากไม่เป็นแล้วเรามาหยุดความอยากต่างๆเหล่า น, นี้ได้เราก็จะได้ร่างของพระอริยบุคคลขั้นต่างๆได้ร่างของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีและพระอารหันต์ถ้าเราได้ ร่างของพระอรหันต์เราก็จะได้ไปอยู่ที่พระนิพพานที่ที่เราไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปเป็นบ้านถาวรของพวกเราแต่ถ้าเราไปได้บ้านระดับอื่นเช่นบ้านระดับพรหมบ้านระดับเทพหรือบ้านระดับมนุษย์นี้เรายังต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เพราะว่า ยังไม่ได้เป็นบ้านถาวรถ้าเราได้ไปถึงสวรรค์ชั้นพรหมเดี๋ยวสวรรค์ชั้นพรหมก็จะเสื่อมลงจากสวรรค์ชั้นพรหมก็จะเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพพอเสื่อมจากสวรรค์ชั้นเทพก็ลงมาได้ร่างกายมนุษย์เพราะเรายังมีความอยากอ ย, กอยู่ยังมีความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ่นกาย เราก็เลยต้องมีร่างกายเพราะร่างกายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายให้เราได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสต่างๆทางร่างกายแต่ถ้าเราได้ฟังเทศฟังธรรมแล้วเราเห็นว่าการที่เรากลับมาเกิดนี้เกิดจากความอยากของเราอยากในรูปเสียงกลิ่นรส อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากมีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยากไม่ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วเราหยุดความอยากเหล่านี้ได้เราก็ไม่ต้องกลับมามีร่างกายเราก็จะอยู่บนสวรรค์ของพระอริยบุคคลที่จะไม่ต้องกลับมาเกิดถ้าอยู่บนขั้นสูงสุด แต่ถ้าอยู่ขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันเราก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจชาตนะิถ้าเราได้ขั้นที่สองเราก็จะกลับมาเกิดเพียงอีกชาติเดียวคือชาติของมนุษยนะ์แล้วถ้าเราได้ขั้นที่สามเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดในขั้นของมนุษย์แต่เราจะต้องไปเกิดบนขั้นของพรหมอยู่ แล้วถ้าเราได้ขั้นที่สี่คือขั้นพระอระหันต์เราก็จะได้ไปอยู่ที่พระนิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดในภพต่างๆอีกต่อไปเราก็จะได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดของเรา<ม>การที่เราจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดของเราได้<ม>เราต้องมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาพบกับพระพุทธศาสนา เพราถ้าเราไม่ได้เป็นมนุษย์เราก็จะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนานั่นเองเพราะพระพุทธศาสนานี้จะเกิดขึ้นในภพของมนุษย์เพราะว่าผู้ที่ก่อสร้างพระพุทธศาสนานขึ้นมาก็เป็นมนุษย์คือพระพุทธเจ้านี่เองพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์แล้วหลังจากที่พระองค์ได้ทรงปฏิบัติจนได้มี ดวงตาเห็นธรรมสามารถเห็นสิ่งต่างๆที่พวกเราไม่เห็นกันได้เช่นเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของพวกเราว่าเกิดจากความอยากของพวกเราเองแล้วถ้าเราอยากจะไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายเราก็หยุดความอยากเท่านั้นและการจะหยุดความอยากได้ก็อยู่ที่การปฏิบัติ ทำบุญทำทานรักษาศีลนั่งสมาธิแล้วฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วเราก็จะมีกำลังที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเราให้หมดไปได้พอเราหยุดความอยากหมดเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปแต่เราต้องมีพระพุทธศาสนาหรือมีพระพุทธเจ้า หรือมีพระ อ, อริยสงสาวกมาคอยสอนคอยบอกเราเพราะถ้าเราไม่มีคนสอนคนบอกเราก็จะไม่รู้วิธีที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเหมือนกับการที่เราไปเรียนหนังสือถ้าเราอยากจะเป็นหมอเราก็ต้องไปเรียนโรงเรียนแพทย์แน้วแพทย์ ก็จะสอนเราวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีโรงเรียนแพทย์หรือเราไม่มีความสามารถที่จะเข้าไปเรียนโรงเรียนแพทย์ได้เราก็เป็นหมอไม่ได้ฉันใดพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนกับสถาบันการศึกษาที่จะให้ความรู้กับพวกเราที่จะทำให้พวกเรานี้ ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครรู้วิธีที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้ศาสนาเอืว น, นี้จะรู้เพียงแต่วิธีที่จะทำให้เราได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆหรือได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ต้องไปเกิดในอบาย เพราะทุกศาสนานี่สอนคล้ายๆกันสอนให้ทาบุญทําทานให้ช่วยเหลือสงเคราะห์กันและกันให้รักษาสี่งไม่ให้เบียดเบียนกันและกันและให้ ส, สวดมนต์กันนี่เป็นวิธีที่จะทำให้ใจได้ไปเกิดบนภพต่างๆได้ไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหม แต่ไม่สามารถไปถึงขั้นพระนิพพานได้เพราะไม่มีใครรู้จากวิธีที่จะไปถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาเราก็จะพบกับศาสนาอื่นที่จะสอนให้เราทำบุญทำทานรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบเท่านั้นเราก็จะได้ไปเกิดในภพต่างๆ ยังต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะพพต่างๆไม่ว่าจะเป็นภพของมนุษย์ของเทวดาของพรหมยังเป็นภพชั่วคราวได้แล้วเดี๋ยวก็หมดไปไปเกิดเป็นพรหมแล้วเดี๋ยวก็เสื่อมลงจากสวรรค์ชั้นพรหมลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเสื่อมลงมาสู่สวรรค์ชั้นอาสู่ชั้นมนุษย์ ฉันมนุษย์นี่แหละเป็นที่เรามาเติมสเบียงกันเติมน้ำมันกันเติมบุญเติมกุศลกันมาจอบบ้านใหม่กันเน่ยอย่างพวกเราวันนี้เรามาวัดเรามาเติมบุญด้วยการทำบุญทำทานเรามารักษาศีลกันเรามาฟังเทศฟังธรรมกันแล้วถ้าเรากลับบ้านเรามีเวลาว่าเราก็นั่งสมาธิกัน ทำใจให้สงบกันก็เท่ากับการเป็นเจองเป็นการจอง บ, บ้านใหม่ซื้อบ้านใหม่พอเราตายไปเราก็จะได้มีบ้านอย่างใดอย่างหนึ่งบ้านของมนุษย์หรือบ้านของเทพหรือบ้านของพรหมขึ้นอยู่กับความสามารถของเราว่าเราจะทำได้มากน้อยเพียงไรถ้าทำได้เพียงแต่รักษาสี่ห้าเราก็จะ ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราทามากกว่าศีลห้าคือทําบุญทำทานด้วยนักษาศีลห้าด้วยเราก็จะไบได้ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพกันแล้วถ้าเรานั่งสมาธิทําใจให้สงบได้เราก็ไปสู่สวรรค์ชั้นพรมแต่เราก็จะไปได้เพียงแค่สวรรค์ชั้นพรมจะไปสู่ ชั้นของพระ อ, อริยเจ้าไปสู่พระนิพพานนี้เราจะไปไม่ได้ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาชาตินี้พวกเราโชคดีได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาที่จะสามารถสอนให้เราพาให้เราได้ไปสู่พระนิพพานไปสู่การสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิด สิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายเพราะความทุกข์เกิดจากความเสื่อมจากภพต่างๆนั่นเองเกิดจากความแก่ความเจ็บความตายกันแต่ถ้าเราไปพระนิพพานเราจะไม่มีวันเสื่อมพระนิพพานนี้เป็นเหมือนสวรรค์ชั้นสูงสุดสวรรค์ที่ไม่มีวันเสื่อมสวรรค์ที่ไม่มีความทุกข์ไปอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา เหมือนพระพุทธเจ้าและพ่อสาวกทั้งหลายที่ท่านได้อยู่พระนิพพานกันตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่มา 2,500 กว่าปีแล้วอยู่ในพระนิพพานและจะอยู่ไปเรื่อยๆไม่ต้องมาเป็นมนุษย์ไม่ต้องมาเป็นเทวดาไม่ต้องมาเป็นพรหมหรือไม่ต้องไปเป็นเดรัจฉานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปตกนรกเพราะท่าน ได้ซื้อบ้านที่ไม่มีวันเสื่อมนั่นเองพวกเราก็สามารถที่จะซื้อบ้านที่ไม่มีวันเสื่อมได้ถ้าเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าได้ทรงปฏิบัติและได้เอามาสั่งสอนพวกเราต้องทรงทำทานด้วยการสละราชสมบัติมีข้าวของเงินทองมากน้อยเพียงไรพระองค์สละหมดเลย ให้แก่ผู้อื่นไปทำทานไปเพราะพระองค์ทรงเห็นว่าทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆนั้นจะไม่สามารถทำให้พระองค์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่จะเป็นตัวที่จะฉุดร่างให้กลับมาเกิดอยู่เรื่อยๆถ้าเรายังรักทรัพ ส, สมบัติเข้าของเงินทองยังพึ่งทรัพสมบัติเข้าของเงินทองเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเรา พอเราสูญเสียทรัพย์สมบัติไปเราก็ไปหาใหม่พอเราตายไปเราก็กลับมาเกิดใหม่เพื่อกลับมาหาทรัพย์สมบัติใหม่แต่ถ้าเราสละทรัพย์สมบัติไปไม่ต้องการทรัพย์สมบัติเราก็ไม่ต้องไปหาทรัพย์สมบัติอีกต่อไปแล้วเราก็จะได้มีเวลาที่จะมารักษาศีลแล้วก็มีเวลาที่เราจะได้มาทําใจให้สงบ และมีเวลาที่จ ะ, จะเจริญปัญญาเพื่อจะสอนใจให้ยุติความอยากต่างๆนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ทรงปฏิบัติทรงสละราชสมบัติออกบวชไปถือศีลของนักบวชแล้วก็ไปบำเพ็ญสมาธิและปัญญาจนในที่สุดก็สามารถหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกออได้หมด พร์ก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปหลังจากนั้นพระองค์ก็เอาความรู้นี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่สนใจผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายพอได้ยินได้ฟังคําสอนแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติก็สามารถหยุดการเวียนว่ายตายเกิดได้ กลายเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมามีจำนวนมากมายที่เมื่อก่อนไม่มีไม่มีโอกาสไม่รู้วิธีที่จะทำให้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแต่พอได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติไม่นานก็สามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวก ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้แล้วหลังจากนั้นท่านก็ช่วยพระพุทธเจ้าเผยแผ่ความรู้นี้ให้แก่ผู้อื่นก็มีการเผยแผ่มีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุมาอย่างต่อเนื่องจนถึงยุคปัจจุบันนี้ศาสนาพุทธของเรายังสามารถที่จะสอนให้พวกเรา ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เพราะผู้ที่สั่งสอนได้หลุดพ้นแล้วได้ศึกษาจากคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนําเอาไปปฏิบัติจนหลุดพ้นแล้วพอหลุดพ้นแล้วก็เอามาสั่งสอนกันอีกต่อหนึ่งเนี่ยพระพุทธศาสนาจึงยังมีอยู่ในโลกนี้เพราะมีการศึกษาคําสอน มีการนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติและหลังจากที่ได้ปฏิบัติแล้วก็เอาคำสอนได้บรรลุเป็นพระอรหันต์หลังจากที่ได้บรรลุแล้วก็เอาความรู้นี้ไปสั่งสอนผู้อื่นกันอีกติดต่อหนึ่งนี่คือการเจริญของพระพุทธศาสนาการรักษาพระพุทธศาสนาให้เจริญยั่งยืน จเจริญด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนจเจริญด้วยการปฏิบัติตามคำสอนจเจริญด้วยการบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติแล้วก็จเจริญด้วยการนำเอาความรู้ที่ได้บรรลุนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นต่อไปไม่มีใครสามารถจะมาทำลายพระพุทธศาสนาได้ เพราะพระพุทธศาสนาไม่ใช่วัดวาอารามอย่างที่พวกเราคิดกันวัดวาอารามเป็นเพียงที่อยู่อาศัยของศาสนาคือของผู้ปฏิบัติของผู้ที่ศึกษาของผู้ที่สั่งสอนของผู้ที่บรรลุธรรมศาสนาไม่ได้อยู่ที่โบสถ์ไม่ได้อยู่ที่เจดีย์ไม่ได้อยู่ที่กุฏิถ้าใครจะมาทําลายโบสถ์ทําลายเจดีย์ ทำลายกุติก็ยังไม่สามารถทำลายพระพุทธศาสนาได้ถ้ายังมีผู้ที่ศึกษามีผู้ที่ปฏิบัติหมูที่มีผู้ที่บรรลุมีผู้ที่สั่งสอนอยู่ศาสนาก็ยังจะอยู่ต่อไปแต่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีผู้ศึกษาไม่มีผู้ปฏิบัติไม่มีผู้บรรลุธรรมไม่มีผู้เผยแผ่สั่งสอนธรรมนั่นแหละ จะถึงเวลาที่สิ้นสุดของพระพุทธศาสนาดังนั้นถ้าเราอยากจะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปในโลกนานๆเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งให้แก่สารโลกทั้งหลายเราต้องมาศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนจนบรรลุผลของการปฏิบัติคือบรรลุถึงมรรคผล น, ผนิพพานแล้วหลังจากนั้น เราก็เอาความรู้ที่เราได้จากการบรรลุนี้ไปเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นอีกทอดหนึ่งถ้าเราทำอย่างนี้กันทุกคนศาสนาจะอยู่ไปเรื่อยๆต่อให้ใครมาทำลายวัดวาอารามก็ไม่สามารถทำลายศาสนาที่แท้จริงได้วัดวาอารามเป็นเพียงที่อยู่อาศัยเท่านั้นเองถ้าไม่มีวัดวาอารามก็อยู่ที่อื่นได้ สมัยพระพุทธเจ้าทรงตัดสรุทรงประกาศสอนพระธรรมก็ไม่มีวัดวารามพระพุทธเจ้าภะษาวบกก็อยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเนื้อมผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามเรือนรา้านนี่คือที่อยู่ของศาสนาในสมัยพระพุทธกาลแต่หลังจากที่มีการศึกษามีการปฏิบัต มีการบรรลุก็เลยมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงมีศรัทธาญาติโยมช่วยกันสร้างวัดสร้างโบสถ์สร้างเจดีกันขึ้นมาแต่พวกเราอย่าไปหลงประเด็นว่าวัดหรือศาสนาอยู่ที่โบสถ์อยู่ที่เจดีอย่ามัวแต่มาสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างคุตติจนลืมสร้างศาสนาที่แท้จริงก็คือการศึกษา อย่างที่ท่านมาทำกันวันนี้มาฟังเทศฟังธรรมศึกษาแล้วขั้นต่อไปก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเอาไปทำทานเอาไปรักษาศีลเอาไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเอาไปเจริญปัญญาเอาไปทบทวนความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เรื่อยเพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลืมลเพื่อเราจะได้เอาไปกำจัดกิเลสตัณหา ตัวที่ทำให้เราต้องมาเกิดแก่เจ็บตายกันนี่คือวิธีรักษาพระศาสนาหรือวิธีสืบทอดพระศาสนาให้มีอายุยืนยาวนานไปนานๆไม่ได้อยู่ที่การสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างได้ก็ดีแต่ต้องมาทีหลังต้องถือการศึกษาการปฏิบัติการบรรลุการเผยแผ่ธรรมนี้มาที่หนึ่ง แล้วค่อยมาสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างอะไรต่างๆนานากันอย่าเอาการสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างกุฏิสร้างวัดมาที่หนึ่งแล้วไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุไม่มีการเผยแผ่ธรรมอย่างนั้นก็จะไม่มีศาสนามีแต่เปลือกของศาสนาหรือมีแต่ที่อยู่ของศาสนาแต่ตัวศาสนานี้ได้สูญหายไปแล้วนี่คือ สิ่งที่พวกเรามาวัดกันมาเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติเพื่อเราจะได้บรรลุได้บ้านที่ดีบ้านที่ถาวรก็คือพระนิพพานบ้านที่เราจะอยู่ได้อย่างตลอดไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายตามบ้านชั่วคราวอย่างที่พวกเรากำลังทำกันอยู่ในตอนนี้ถ้าเรา ได้บรรลุแล้วเราก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปดังนั้นขอให้ท่านจงน้อมเอาคำสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้บงเพ็ญให้ปฏิบัติคือให้ทาบุญทาทานให้รักษาศีลให้นัทท่งสมาธิทำใจให้สงบให้เจริญปัญญาด้วยการฟังเทศน์ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆด้วยการพิจารณาธรรมอยู่เรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่า ท่านจะได้บ้านที่ถาวรและจะได้รักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ต่อไปเป็นเวลาอันยาวนานการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตน์ัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันละสุขะพาะโดยทั่วหน้าการเธอ